สงชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงสงได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกำลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 เพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่กระผมแล้วกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วเป็นผู้ควรแก่อับพานต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 ภิกษุอุทาญีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตสาตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสาตัวแก่ภิกษุอุทาญีแล้วภิกษุอุทาญีนั้นกําลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้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 ขออับพานต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงอับพานภิกษุอุทายีนี่เป็นยตัติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัดหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตติปิดไว้ห้าวันและภิกษุอุทายีนั้นประพฤตมานัดแล้ว ขออับปานกับสงฆ์สงฆ์อับภานภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการอับปานภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นผึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละ ภิกษุอุทายีสงอับพานแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้